สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสี่สิบสี่เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สี่สิบเก้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบลงที่พระกัมพีฮีบรูบทที่สิบเอดข้อที่สี่สิบด้วยความว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมการไว้อย่างดีให้กับเราทั้งหลายซึ่งดีกว่าในสมัยโบราณเพื่อ ให้เขาทั้งหลายถึงที่สําเร็จนอกจากเราวลีที่แปลว่าทรงจัดเตรียมการที่ดีกว่าไว้หมายความว่าได้เห็นล่วงหน้าถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเห็นล่วงหน้าถึงพระสัญญาต่างๆที่ดีกว่าครับในชีวิตของเราหลายแๆครั้งทีเดียวเราไม่ได้เห็นอย่างที่พระเจ้าเห็นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไว้วังก่พระเจ้าเมื่อเวลาครบสมบูรณ์ถึงวาระของพระองค์แล้วนะครับพระเจ้าก็จะเตรียม สิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้บังเกิดขึ้นเราผู้เป็นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่นะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นยังไม่ครบสมบูรณ์เหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นทำรรมิกชนที่สัตว์ซื่อในสมัยพัมพีเดิมก็ได้เป็นพยานรับรองโดยความเชื่อของพวกเขาพวกเขาก็ยังไม่ได้รับพระสัญญานะครับเราเองเราแม้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาแล้วนะครับแต่ว่าแผ่นดินสวรรค์เราก็ยังไม่ถึงครับนะเพียงแต่ว่าเราได้รับชีวิตดีรันเรียบร้อยแล้ว นะครับก็เป็นวีซ่าหรือเป็นพาสปอร์ตที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้แต่แผ่นดินสวรรค์จริงๆนั้นยังมาไม่ถึงสําหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะเข้าไปอยู่ในบทที่สิบสองครับอีกสองบทเราก็จะจบพระเยซูในพระธรรมพีบรูในบทที่สิบสองนั้นเราก็จะพบกับพระเยซูชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนะครับภาพรวมของบทที่สิบสองนี้นะครับ ก็เกี่ยวข้องกับความจําเป็นที่สําคัญอย่างหนึ่งของผู้รับจดหมายฝากพวกเขานั้นหวั่นไหวนะครับเรื่องหลักคําสอนหลักข้อเชื่อถามว่าทําไมถึงต้องหวั่นไหวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับเป็นผู้เชื่อใหม่ชาวยิวนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เขียนฮีบรูจะต้องให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจถึงหลักธรรมอันลึกซึ้งหรือหลักข้อเชื่อหลักคําสอนอันลึกซึ้งนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันครับพวกเขาเกิดความท้อใจเพราะเหตุความทุกข์ยากลำบาก เพราะฉะนั้นผู้เขียนฮีบรูนั้นกําลังนำเสนอภาพที่เปรียบเทียบ ว, ว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเหมือนกับการวิ่งแข่งระยะทางไกลครับเพียงครับโปรดฟังครังครับชีวิตคริสเตียนนั้นเหมือนกับการวิ่งมาราธอนหรือวิ่งแข่งระยะทางไกลและการแข่งขันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับจะมีการต่อต้านจากศัตรูฝ่ฝายวิญญาณของเราบางครั้งอาจจะมีการตีสอนจากพระเจ้าบางครั้งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะโลกหรือกระแสของโลกหรือคนอื่นๆที่ไม่เชื่อพระเจ้า ลหลายๆครั้งทีเดียวอุปสรรคต่างๆนั้นก็มาจากพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองพี่น้องครับประเด็นหลักของพระคัมพีตอนนี้ในบทที่สิบสองส่วนแรกนะครับก็คือหนุนใจให้ผู้อ่านนั้นสู้ต่อไปให้มีกําลังใจไว้อย่าห่อเหี้ยวอย่าท้อใจให้เดินหน้าต่อไปหลายๆครั้งที่รับใช้พระเจ้าเดินอยู่ในทางของพระเจ้าก็จะเกิดความท้อใจนะครับให้เรากลับไปวิ่งต่อเข้าสู่ลู่การแข่งขันวิ่งแข่งจนสําเร็จ พี่น้องครับในท่อนต่อไปของพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองนี้นะครับก็ให้ความเห็นทิ้งท้ายด้วยคำเตือนสติครับให้ภาคเพียนและปิดท้ายภาพของการวิ่งแข่งให้สำเร็จผู้เขียนฮีบรูนั้นได้เติมความจำของผู้อ่านของท่านว่าชายชนะของเขาไม่ได้อยู่ที่ภูเขาซีนายครับแต่เป็นภูเขาซิโยนหรือเยรูซาเล็มใหม่โดยมีพระเยซูรอคอยอยู่ที่หลักยัยเพราะฉะนั้นพวกเรา ผู้อ่านพระธรมฮีบรูทุกยุค ท, ท, ทุกสมัยจึงถูกเตือนให้ระวังที่จะไม่เพิกเฉยต่อพระเยซูคริสต์ใช้ชนะของเราไม่ได้อยู่บนภูเขาสีนหนนะครับเพราะว่าภูเขาสีนหนนั้นเป็นภูเขาของโมเสสซึ่งรับธรรมบัญญัติแต่ชัยชนะของเราอยู่ที่ภูเขาซิโยนซึ่งเป็นภูเขาที่อับราฮัมกำลังจะถวายอิสอักแต่พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมลูกแกะก็คือพระแม่สะโพดกอันนี้หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับ ที่จะมาทิ้นพระชนเพื่อเราและภูเขานี้เป็นภูเขาแห่งความทรงจําที่ดีเพราะเนื่องจากว่าพระเยซูนั้นได้ทรงเป็นพระเมสสปดกนะครับแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงบนภูเขานี้แต่ภูเขาซีโยนี้ก็เปรียบเทียบกับโกลาโคธาหรือที่เราเรียกว่าแทวารี่ได้นะครับภูเขาซีโยนั้นเป็นภูเขาแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นภูเขา ของการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่อทําให้การทำให้กระชนหรือผู้เชื่อทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อัพรามมาเมื่อไมาจนถึงโมเสสมาถึงดาวิดมาถึงผู้พยากรณ์ศาสนาศาสด า, าพยากรณ์ทุกคนจนแม้กระทั่งมาถึงระเยซูและมาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับเราจะเริ่มในวันนี้นะครับในบุบที่สิบสองข้อที่หนึ่งโปรดฟังพระเจ้ของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอย่างนั้นอยู่รอบข้าง ให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นและการวิ่งแข่งที่กําหนดไว้สําหรับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามบทที่สิบเอ็ดนั้นนําเสนอบรรดาผู้ที่วิ่งมาแล้วบรรดาผู้ที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่พวกเขานั้นเป็นพยานหมู่ใหญ่ครับหรือพ่อหมู่ของเราที่ไายล้อมเรา มีมากมายหลายสถานมากมายทีเดียวครับสําหรับผู้ที่ยึดอยู่ในความเชื่อความศรัทธาเราอาจจะสรุปได้ว่าบรรดาคนของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ตอนนี้อยู่ในสวรรค์พร้อมกับองค์พระบุญเจ้าพระเยซูคริสแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับและพวกเขานั้นกําลังเฝ้าดูเราวิ่งอยู่ครับพี่น้องครับในพระพ 1, คัมภีหนึ่งโครินได้บอกว่าเราอยู่ในสเตเดียมนะครับเราอยู่ในอารีนาที่มีทั้งทูตสวรรค์นะครับ และองค์พระเยซูคริสต์ตลอดจนผีมารซาตาวิญญาณชั่วและแม้แต่คนในโลกนี้มองชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับเราต้องมองชีวิตถอยกลับไปของคนซึ่งเป็นผู้ยึดมั่นในความเชื่อบรระชนแห่งความเชื่อซึ่งพระคัมภีรใช้คาว่าพยานที่รายร้อมหรือพยานหมู่ใหญ่พี่น้องครับตอนนี้พวกเขามองดู พวกเราวิ่งอยู่ครับในการวิ่งแข่งขันชีวคริสเตียนนะครับมันสอดคล้องกับการวิ่งมาราธอนหลายหครั้งทีเดียวผู้ชมที่เส้นชัยนะครับก็เป็นคนที่วิ่งแข่งมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในการแข่งขันโอลิมปิกครับพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างครับว่านักวิ่งทางไกลหรือนักวิ่งมาราธอนวิ่งแข่งเสร็จในสนามกีฬาโอลิมปิกโดยมีผู้ชมหมู่ใหญ่เฝ้าดูอยู่ครับและ สิ่งที่ถูกชื่อในที่นี้อย่างชัดเจนก็คือเมื่อเราวิ่งแข่งของเราเสร็จนะครับใช้ชนะมันก็จะเกิดขึ้นต่อหน้าพยานหมู่ใหญ่ซึ่งรวมตัวกันลอดสนามกีฬาในสวรรค์มีสัญาราศีมากครับพี่น้องเมื่อเราจินตนาการหรือเราคิดถึงภาพเหล่านี้เพราะฉะนั้นครับเมื่อเราเข้าสู่การแข่งขันพระัมภีบทที่สิบสองฮีบรูได้เตือนเราว่าให้เราทิ้งสิ่งที่่วงอยู่ทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่ ใส่เสื้อผ้าที่เบ้ยที่สุดนักวิ่งมาราธอนก็จะต้องหาเสื้อผ้าที่เบ้ยที่สุดรองเท้าหนักหนักก็ไม่ไม่เอาไม่ใส่เสื้อผ้าหนักหนักก็ไม่เอาสะพายกระเป๋าเป้ข้างหลังก็ไม่เอาสิ่งของอื่นๆที่ถูกที่ทวงอยู่นั้นต้องถูกทิ้งครับพี่น้องคำว่าของที่ทวงอยู่นั้นมีความหมายว่าของหนักหรือสิ่งที่คอยรบกวนพี่น้องครับสิ่งที่คอยรบกวนเรานะครับไม่เพียงแต่เป็นความบาป ไม่เพียงแต่เป็นความขมขื่นไม่เพียงแต่เป็นอคตินะครับรวมทั้งเสียงต่างที่คอยดึงเราออกจากลู่ออกจากทางวิ่งมันคอยขัดขวางทางวิ่งของเราครับหรือบางครั้งเป็นชีวิตของคนบางคนที่เป็นหินสะดุดทาให้เราล้มลงค น, คนเหล่านี้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่คอยบครบกวนเราครับทาให้เราวิ่งมาลาทอนช้าลง หรืออาจจะหกล้มหรือหลอกเราออกนอกทางหรือทําให้เราเหนื่อยเราท้อแล้วเราเลิกพี่น้องครับผู้คนที่บังเกิดใหม่ต้องพะวงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหลังจากที่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นไรายได้หรือการหาเลี้ยงชีพหรือบางสิ่งบางอย่างเขาต้องสูญเสียไปเพื่อจะได้พระเ ย, ยซูนะครับเขาจะต้องสารวจนอยู่กับเสีงยงต่างๆซึ่งเป็น ของสวรรค์เพราะว่าเราเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากใครก็ตามที่มัวสารวนอยู่กับสิ่งต่างในโลกนี้นะครับซึ่งบางครั้งสิ่งต่างในโลกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายในตัวมันเองแต่มันสิ่งที่ดึงความสนใจของเราออกไปสิ่งที่ดึงความสนใจของเราออกไปนั้นทําให้เราวิ่งช้าลงหรืออาจจะไปไม่ถึงจุดหมายนะครับมันเป็นสิ่งที่รบกวนในการวิ่งแข่งของเราครับมันอาจจะเป็นธุรกิจของเรามันอาจจะเป็นการเมือง การเมืองการปกครองนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องจิปาทะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญที่สุดนะครับผลสุดท้ายก็คือเราวิ่งแข่งไม่เสร็จไม่สําเร็จครับถ้าเรามัวสารวนอยู่กับเสี่งต่างของชีวิตนี้โดยไม่จดจอ่ออยู่กับเป้าหมายเส้นชัยพี่น้องครับในการแข่งขันวิ่งมาราธอนนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือเพื่อที่จะชนะครับมีน้อยคนนะครับที่ บรรลุเป้าหมายแต่ในทางปฏิบัติครับนักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่แล้วก็คือเราต้องตั้งใจที่จะวิ่งแข่งให้จบให้เสร็จนะครับฉะนั้นการทิ้งของหนักหรือสิ่งที่รบกวนที่คอยถ่วงอยู่ทําให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้เพี่อนครับในเช้า ว, วันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าอะไรคือสิ่งที่่วงในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่่วงในชีวิตของเราให้เราสลับทิ้งหาก เรายังมีจิตใจรักชอบพอมันอยู่ขอพระเจ้าประทานและช่วยเหลือให้เราสามารถสลัดทิ้งได้สลัดค่อยๆสลัดครับค่อยๆทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปและเราจะมีความสุขเบาตัวขอพระเจ้าช่วยเรานรในการที่เราจะสามารถทิ้งทุกสิ่งที่จวงอยู่ได้อาเมน